ปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่า น, นดาเนินมานั่นแหละที่ผู้จะมีทางทรงมรกผลนี้ผ่านได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็น เพราะการเรียนก็เรียนจำแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางกิตภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะออุปชายะสอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิยะเห็นสอนเกษาลุมานะคงาปัญตาตกจูอันเป็นหลักใหญ่ของงาน ที่จะรู้พบรู้ชัหรื้กิเลสปัญหาอาสวะออกปจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้้งอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่สอนมากในพันเริ่แรกแห่งการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันนี้ มีเรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในทั้นสำคัญเพราะศึกษาใ น, นขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้ศึกษาเพื่อปฏิบัติจริงๆไม่ได้ศึกษาเพื่อจะสอบเอาชั้นเอาภูมิเอาชื่อเสียงเรื่องนามอะไรทั้งนั้นแต่เรียนเพื่อจะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ ที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆด้วย อ, อำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปการศึกษาจริงศึกษาเพื่อจะปฏิบัติตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษาหมาั่นมีหลักลั้งพุทธการท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้ผู้มอบงานคือกรรมฐาน ซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็นต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆ <c oughs> ไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นลูประชัย <c oughs> บวชคุณระบุทั้งนั้นท่นบวช ด, ด้วยความจงใจเป็นบุพชายะด้วยความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ก็ไม่ได้บวชเพื่อประเพณีบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกเขานิยมกัน แต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริงเพราะฉะนั้นงานที่อุปชายยะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณบุตรผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำปฏิบัติด้วยความจริงใ จ, งใ จ, ต, า จ, งใจตามสถานที่่อุปชายยะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คาดเคลื่ อ, เอนเลือยลอยไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าทำภัก ศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราเห็นเราจะเห็นได้ตามตำลักตำลาที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธพถะอง์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงๆจั ง, จงๆไม่ได้ ละแหละฟังแทงเหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทําเป็นเรื่องกับพี่กับพี่ไปเสียมากนอกจากกับพี่แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกลายเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรืความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากศาสนธรรมนั้น จึงกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามไปเพราะเหตุพาให้เป็นเช่นนั้นเราจะตําหนิติดเดียนธรรมของพระพุทธเจ้าว่าไร้ผลได้อย่างไรเมื่อตัวของเราเองเป็นผู้ทําตัวเพื่อความไร้ผลอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วเราจะตําหนิใครหลังพุทธการท่านทําจริงจังตามเข็มทิศที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างไดไม่ให้คาดเคลื่อน การความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักถิ่นไทยในวัฏะสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความชุ้งชฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเปลี่ยนผันวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัตหวังธรรมหวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริงแห่งธรรม โดยถาเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลูก่นอกทางของศาสนาธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดาเนินตามหลักแห่งศานสาธนาธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่าคําว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติ มีกิจกรรภาวนาเป็นสาคัญคําว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติกิตกรรมภาวนานั่นเองเป็นเรื่องสาคัญมากท่านไม่สนใจใหยดีกับสิ่งใด น, นอกจากทำอย่างนั้นอดอยาขาดแคลนท่านย่อมอดย่อมขาดแคลนท่านย่อมทุกข์ลำบากด้วยจะถูกปัจจัยต่างๆเป็นธรรมนาของ คนที่เจาะแสวงหาโดยลําพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเดียวยาหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดาแต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสําคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในอียบ ท, ทั้งสี่ยิ่งเป็นไป ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงอามากผลนิพพานโดยถ่ยเดียวการปฏิบัติดำเดนินตามหลักานาชนะธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่โดยสม่ำเสมอในยาบทต่างๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีทำละกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนเนในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมากผลนิพพานไปกับความเพียร ในท่าอายาบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงร่ำลือว่าองค์นั้นสําเร็จโสดาองค์นั้นสําเร็จพระสะกิธาองค์นั้นสําเร็จพระอนาขาองค์นั้นสําเร็จพระอรหันตหัอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากมิดเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้าเนื้อผาเป็นสถานที่เวทที่ โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหลเป็นสถานที่ตบำลาดปราบรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศพกิเลสความโมโความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดุจลอยออกไปเพราะอํานาจแห่งความเพีย่ยนคือตปธรรมแผดเผาเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดําเนินของพระพุทธเจ้าทางดําเนินของภาษาวก และวิธีการฆ่ากิเลสตาวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกธรรมท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้สรงมรรคสมผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอเหมาะสมกับการปราบปรากิเลสทุกประเภท ไม่ได้เนื้อทรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักฐาธนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับ <c oughs> ไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามาผีดขวางหรืกั้นกลางมรรคผลนิพพ า, านไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ เลยพระฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในศาสนาธรรมว่าเป็นมัจจิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกมจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกลงไปด้วยอำนาจแห่งตับปะธรรมของเราโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลนี่ระหนัก เครื่องรับรองเครื่องดินดันเราอย่าปัปหาสิ่งอื่นสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดมาดินดันมาเป็นเครื่องรับรองนอกจากการปฏิบัติที่เราได้รับได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์และได้ร่ำเรียนมาแล้วจากำตำหลักตำรานำนิแม่มาเป็นเครื่องหนู่แก้กิเลสทำละกิเลสหรือปราปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ เคอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเรสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเรฒสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่นี้มาเป็นเวลานานการสร้างบ้านสร้างเรือนของพิเรสก็คือการสร้างทุกแห่แห่หัวใจนั่นแหละใช้ข้อตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำา ติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุอย่นั่นแหละนัตถิตาดุขังนัตถิอาชาตัสสะว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดอันนี้จะเข้าไม่ถึงเพราะกิเลสมันเป็นเจ้าของอยู่ภายในหัวใจทำให้เกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญในองค์มรรคแ ควเพียงเป็นเครื่องสนับส น, นุนนี่ละ่ะเป็นทางก้าวเดินเป็นเครื่องมือที่จะชำระล้างสิ่งที่โส ก, กปรกที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลําดับพบชาติจะได้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องพบเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตนเองจะเป็นอดีต เคยเป็นมานานเท่าไหรก่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามจะทาบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเราเมื่อปิเลตได้ถูกกำจับลงไปมากน้อยวัตาจาักคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของจิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดย่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิเจอหนา หรือปิบัติตามหลักกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งงานอันสําคัญมีเกียรสาลมานะะาขาตันตาตัโจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรื้พบรู้ชาทําลายวัตจักรของตนไปด้วยอํานาจแห่งการพิจารณาทําเหล่านี้ไปโดยลํำดับนี่แหละเป็นหลักสําคัญเกียสาลมานะะาขาทันตาตัดโจรเราทนัดในอาการไหนห้าอาการนี้แล้วจะ ซมทราบก็ไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกทายในร่างกายนี้ทุกสัดทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในเงืใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นด่นเข้ามาโดยลําดับลาดับ ส่วนรูปเป็นสิ่งที่อยากก่อเพื่อแล้วเหมาะสมกับใจกําลังอยากท่านจึงสอนเยสายลมานฐาทนตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอัดเรื่องายละเอียดละออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่ามานี้ส่วนใดก่อตามเข้าถึงความจริงแล้ว ในร่างกายทุกส่วนนี้ย่อมจะเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์กับปัญญาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้เพื่อนาสิ่งเหล่านี้อาโดยความเป็นปฏิกูลก็เห็นได้ชัดประจกักษ์เพราะเป็นความจริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่พิจรงงารณาตั้งแต่กําลังเราเสกสรรตั้นยอมันว่าสวยว่างงามอยู่โน่น ท, ทั้งที่อันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุพัง น, นั่นเองเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่เลมันก็เป็นอสุภะอสุพังดังที่ทําท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้ว <c oughs> แต่พิจารณาแยกแยะออกไปเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตา ในส่วนใดก็ตามไนธทําทั้งสามประเภทนี้ไม่จําเป็นจะต้องพิจรารณาให้รวมคืนเป็นอันหนึ่งเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้งสามอย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันไปหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอนิจจังทัง้งตุขังทั้งอัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงไตรลักษณ์ใดลักแต่ไตรลักษณ์หนึ่งเท่านั้นมันจะซึมทราบกันไปหมดนี่ ที่จะนาถึงสาระก็เป็นแต่รักอย่างประจักษ์ไม่สงสัยพายในใจิตใจแล้วและแต่รักนั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราเหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาเหรือมันปฏิเสธทั้งนั้นในหลักรายรักนี้อืนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเน่นั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจ์แน่บอกทชัดอย่างนั้น นี่แต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนเนี่ยฟังแิตรารักบ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจเมื่อพิจารณาตามหลักของแตรลักษใดก็ตามจะต้องเข้าถึงความจริงที่กล่าวมานี้ทั้งนั้น เมื่อเข้าถึงความจริงด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วจะยึดเอาว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนจะฝืนยึดไปได้อย่างไรเพราะความจริงบอกอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่เราเคยยึดเคยถือที่สำคัญมั่นหมายอะไรนั้นล้วนแล้วแต่ของปลอมที่เสกษสรั้นยอขึ้นมาต่างหากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตาม สัขจขาธรรมที่แตกร้อยชอบแล้วทําไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นเส่นเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าเราว่าของเราได้อย่างไรอสุภะทั้งกองอืกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยกองอสุภะป่าช้าพีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเรา ว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสกสรรตัน้นยอมานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภาพทั้งมวลนี่นี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหนค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทําลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลําดับลำดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีมความ ละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสามารถที่จะทําลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันกางขายไว้ทั่วร่างกาย จ, จิตใจของเราให้แตกกระจายหายไปโดยลําดับลําดับถ้าจึงสอนให้พิจารณาแต่จะพิจารณาถึ ง, งแต่ละก่อเต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขงาาังตาอ น, นิจจังทุกขงาาังนั้ตาที่เหลือเป็นสาระแก่นสามเป็นนราเป็นของเหล่าเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึง ความซึ้งด้วยความจริงในต่รักนี้แล้วจิตดวงใดล่ะจะฝืนไปยุดได้จะฝืนไปถือว่านั้นนั่นเป็นเรานี้เป็นของเราได้ไม่ฝืนต้องปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นหนั่นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมเที่ยวิ ช, ชามันกลางขาด ไปเที่ยวปักปักนเก็บเกี่ยวไว้ทุกแง่ทุกมุมออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิเพราะอํานาจของปติปัญญานี่เป็นสำคัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหล่านี้จึงเป็นการทําลายสิ่งที่อิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันไปเที่ยวปักเที่ยวเสียบกับระเบิดไว้เพื่อทําลายเราอยู่ทุกเนี่ยทุกมุมไปรือขนสิ่ง ทำลา่นั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยร้ายสัมวลไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันนี้เพราะความรู้ชอบเบื่อตัณยานี่แหละการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสหรือถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลําดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมากทรงผลไปเดิมดับการหรือถอนกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้นเลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรง ผลอัน้อมมูรณ์แต่งที่อู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเวล่มเวลาไม่อยู่กับสถานที่ใดเพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรตนเครื่องสนับส น, นุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความทอดแท้ ความเหลวไหลร้วนแลน่ตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเสียบขวากน้ำไว้ให้เราเหยียบย่ำและเป็นอันตรายต่อ ต, ตัวของเราเองไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบคนมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องคนมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกั น, นเพียงโนยียนจำ ม, มามากน้อย ไม่มีทางจะทราบปัญมายาของทลืได้เลยเรียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียนตามสติกําลังความสามารถมั น, นกลับเป็นเรื่องสังสมที่เขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักทำตรีก็มีความสําคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักทมตรีแล้วนั่นพอได้นักทำโทขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกความสําคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของกิเศษเพราะความจำเรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเศษสันความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นนายนักธรเอกได้มหาป ร, ริญญาก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ ย, ย, ยิ่งกว่าภูเขาจะขับฟ้าขับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเราเรียแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นความสําคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทําลายคนอื่นชอบทําลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่ําทําลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นข้าศีลธรรมอยู่แล้วแต่การในไหนมานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเราความรู้ความเห็นความคิดอ่าน ทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแน่ตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทําเราจะไปทราบคุณมายาของกิเลสเล่เหลี่ยมของกิเลส อ, อุบายยิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติอปริยัตเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจําอย่าเอาความจํามาเป็นความจริงอย่าเอาคํา จำกับความจริงที่เสียใจขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามพิเรศเสียทั้งมวล ท, ทั้งที่เรียนทำนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางมิแล้วปฏิบัติ ด, ด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาแค่ควรวนตามหลักที่ท่านสอนแล้วดำเนินตามนั้นจะให้ผิดลาดคลาดเพื่อนดังที่ อุปชัยะท่านสอนเกษ่าโลมานะขาทันโจโท่านอธิบายย่อๆให้ฟังในขณะที่บวชความจริงเป็นอย่างนั้นเราพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนโดยหลักความจริงนั้นให้รู้เป็นหลักความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเราด้วยปัญญานี่อันนี้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านว่าเกษาโลมานะขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งปฏิคุณสโสโครกไม่ หน้ายึดหน้าถืออืเป็นหน้าลำคาญหน้าลำเกียดน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้วยของสกรปรกต้องชะต้องล้างทุกเวลาเวลาอืเครื่องหนูห่มผมใช้ซอยโดยปกติลำพังของเขาคอสะอาดแต่พอมากผูเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของประฏิกุลนี่แล้วน่องเป็นของสกรปรกไปหมดด้วยกัน อะไก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมย่อมสกรปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสกรปรกด้วยใจของคนเป็นของสกรปรกด้วยเมื่อไปฆ่าเขาหรือเกี่ยวข้องกับกิ่ในใดสิ่งนั้นจป็นกายเป็นสองของสกรปรกนี่ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของสกรปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังสกรปรกอีกอยังเห็นของ ส, สกรปรกนี้ว่าเป็น ของสวยงามมาเป็นสิ่งสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วั้งแต่เรื่องกลมายาของจิตเหลดลอกสับโลกทั้งหมดท่านสอนอุชายท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่ารสอนว่าสิงเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของประฏิปูณโศกไม่เห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมดเราให้พิจารณาตามหลักนั้นเราจะเป็นความจริงดังที่ท่านสอนไว้ทุกประการเมื่อเป็นความจริงด้วยปัญญาแล้ว จะปล่อยวางสิ่งที่เสกยขันตั้นยอด้วยความจําปอมปอนั้นออกจากใจใจจะกลายเป็นความจริงของจริงขึ้นมาเพราะความรู้คือสติปัญญาเป็นของจริงประเภทหนึ่งเครื่องค่ากิเลส น, นี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับลำดับความตั้งครรมามั่นหมายของเราที่ว่าเรียนมามากวานน้อยอมัน ม, มีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อย จางไปจางไปจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบำรุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจำปลอมความจำคลาดที่เกิดขึ้นจากความรูความั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหายหน้าไปหายหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองจนกระทั่งความจริงที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของภาพปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรเนี่ยิ่งจะเห็นได้ชัดที่เดียวว่านี่จึงเป็นของจริง ของจริงเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตสมบัติแท้ความจำที่ศึกษาศึกษาแล้วเรียนมาจากสําหนักตานาจากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืมหยิบยืมมาเพื่อค้าหากําไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กําไรโดยลําดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตาสมบัติของเราตามขัน้นตามภูมิแห่งสติปัญญาสัจจารมเพียนของเราที่สำเร็จได้โดยลํำดับลํำดับจนกลายเป็นปฏิเวธธรรม ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คําว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักๆเป็นตอนๆเป็นสัดเป็นส่วนโดยลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเนี่ยกับปฏิเวทธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไม้แล้วซึ่งปฏิเวทธรรม รู้แจ้งแั็งตลอดถั่วถึงภายในจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเขาแทรกสิ่งได้เลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ด้วนลน้วนนั่นแหละที่มี่เป็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนเป็นมากเป็นผลเต็มจัดเป็นเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบนรรตุแต่กิเลสให้เต็มเต็มหัวใจเพราะนัจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษารเราเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำํำดับ เราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโสกว่าการงานคือการแก้กิเลสและอย่าไปสนใจกับสิ่งใดวัตถุใดสมบัติใดว่าเป็นสิ่งจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมที่ได้ขึ้นมาจากการแก้กิเลสโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวิมุติสมบัติอันนี้เลิศกระเสริไม่มีสมบัติใดเสมอในกาโลกธาตุนี้ เพราะฉะนั้นงานที่จะดําเนินเพื่อสมบัติอันล้นค่านี้เึงเป็นงานที่ลําบากอยู่บ้างโลกเขาจึงไม่สนใจไม่ต้องการอยากจะทเพราะทํายากเนื่องจากกิเลสมันจีดมันขวางมันไม่ให้ทําเพราะกิเลสกับธรรมเป็นค่าสึดกันมาโดยลํำดับลาดาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะมีมากมีน้อยไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเห็นคล้อยตามธรรมเลยต้องเป็นค่าสึกทั้งนั้นไม่ว่าลูกว่าหลานว่าเหลนว่าปู่ย่าตายายตาทวดของกิเลส ทุกประเภทมีตั้งแต่พวกเป็นฆ่าศิกต่อธรรมเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมคัดค้านต่อธรรมลบล้างธรรมอยู่เสมอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้มันถูกปัญญาวุฒิทาลายลงเสียอย่างรากไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่จึงจะไม่มีอะไรมาขัดแย้งต่อธรรมไม่มีอะไรมาคัดค้านไม่มีอะไรมารบพวนใจ ใจจึงเป็นอิสระเสีดีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี่ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจมิมุหมดหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสียสันติยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในใจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใด้พระพุทธเจ้าจะปริพาันธา์นานไปตั้งสองพัน ร้อยห้าร้อยกว่าตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกตั้สรุปมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญชิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์นั้นมีจํานวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระอรหันต์จริงไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมาหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่งสากลิมุต ดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แลอพระพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถึงนิมมติหลุดพ้นกิจ ด, ดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเกลือนไปหมดถ้าจะลบล้างาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้หมายความจริงที่ประจักษ์อยู่ในใจคือวิสุทธิธรรมวิมุติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเองประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีพยานอยู่แล้วทําไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้า ทังหลายและประสงค์สาวกทั้งหลายทำแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เรียกตามสมมติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่ปีถิ่นใดมาขัดมาแยง้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็นภาสึกต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซาดลงไปเท่านั้นหายสงสยัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรม อทำมิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสเกณฑจิตจิตเป็นผู้รับทาบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดรับทราบอยู่ทนี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์จะเรียกว่าใจก็ได้เรียกว่าธรรมก็ไม่มีอะไรขัดแยง้งเพราะรกิเลสเครื่องขัดแย้งไม่มีสมมุติไม่มีเมื่อ ตั้งขึ้นชื่อว่าเป็นวิมุตต์ตั้งชื่อขึ้นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของธรรมตั้งขึ้นมาไม่ใช่กิเลสตั้งขึ้นมาจึงไม่ขัดแย้งตัวเองจะเรียกว่าจิตนี้หลุดพ้นแล้วก็ได้จิตนี้บริสุทธ์ก็ได้จิตนี้เป็นธรรมแท้เดียวก็ได้อืมจะไม่เรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมอย่างเดียวล้วนๆก็ได้เพราะไม่ไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของวิมุตติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมุติได้ยึดเป็นกุยหมาดใตทางเข้าไปเทนั้นแต่พอถึง ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใด ย, ย่อมหาสงสัยหมดไม่จําเป็นจะต้องไปหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัติหรือการศึกษาเฉพาะอย่างหญิงศึกษาจากครูจากอาจารย์จากอุปชัยยะเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติกําจัดไปโดยลําดับลําดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมากทรงผลคือผู้ผปฏิบัติ อย่างอื่นเรามองไม่เห็นไม่เด้กระมาดเรื่องการศึกษาเราเรียนเป็นพื้นเพหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รู้แนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันจะต้องปรากฏมาเป็นทอดทอดทอดทอดจนกรทั่งถึงปฏิเวทะธรรมอันสมบูรณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีท่านดำเนินอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้อย่างนี้ ไม่ปฏิบัติอย่างอื่นสถานที่อยู่ที่อาศัยของท่านเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งนั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสเหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนก็รู้รู้าหลาทั้งทั้งที่เป็นคนขอทานกุติละฟ้านจะว่ายังไงที่อยู่ที่อาศัยชาญโยมเขาเที่ย เอาเข้ามาให้ทานให้กินทุกวันทุกวันยังสู้ไม่ได้ไม่อายเขาบ้างเหรอพิจนาที่ถ้าคิดตามหลักของพระตามหลักของธรรมแล้วมันน่าอายเขาที่อยู่ที่อาศัยของพระกลับซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกลับไม่เห็นภัยกลับรู้หลาอืมยิ่งกว่าประชาชนศรัทธาเขาสิอีกมันน่าอายให้มันรู้หลาภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตธรรมตามหลักของสมณะ ให้รู้หลาด้วยศีลใ ห, s, ให้รู้หลาด้วยสมาธิให้รู้หลาด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรทุกไอเดียบดให้มีความตะเกียบตะกายด้วยความภาคเพียรอยู่เสมอเพื่อฆ่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นตัวภัยต่อเราทั้งนั้นอย่าเห็นว่ากิเลสตัวใดจะมาให้คุณให้ประโยชน์แก่เรานอกจากเป็นฆ่าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวดังที่กล่าวแล้วว่าอย่าว่าแต่พ่อแต่แม่แตุญาติแต่างมันเลยแม่แต่เลนเลนของมันมันก็เป็นภัยของเราทั้งนั้นเกิดขึ้นมามันเป็นเสือเหมือนพ่อเหมือนแม่มัน กิเลสมันเป็นเสือแต่แต่ละตัวละตัวเป็นภัยแต่ละตัวตัวต่อจิตใจจงห้ามหันลงไปให้แหลกแตกกระจายอย่าลดละความภากเพียงอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความออนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของข้าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลส ก, กับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาสวะมันออกในแง่ในมุมใด แต่ต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้เหรออืมีผู้แนะผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลตนั้นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหาว่าเราไม่ได้ปฏิบตัติต่อกิเลสเราไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนียวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลุ่มายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนอืมในท่าแห่งความเพียน ทุกประโยชน์ของเรามักจะมีแต่เรื่องที่เลสทํางานทั้งนั้นทํำเรื่องความเพียรที่ว่าเพื่อเป็นธรรมเป็นธรรมหาที่แทรกไม่ได้เพราะสติปัญญาเราไม่ทันมันนั่นเองมันจะไปทํางานแทนเราทีนี้เมื่อสติปัญญาของเรามีความแจกราสามารถข่าโดยลําดับๆกิเลสออกมาแง่ไดมุมไหนมันแก้กันทันมันรู้กันทันเมื่อรู้กันทันแล้วมันก็มีทางช่องทางที่จะฆ่าที่จะทําลายกันได้นี่เป็นเรื่องอย่างเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกๆท่านนําประพิจารณาปฏิพัติปฏิบัติตน ให้เต็มไม่เต็มหน่วยเราเกิดมาในชาตนี้ได้เป็นนักรบตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความเปิดสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำอันล้นค่าภ า, ายใน จ, จิตใจจนกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้น<ม>เรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่ประพฤติปฏิบัติดีเวลานี้เลยจึงขอจิตเพียงเท่านี้